و إ ن ك ت م م ل ض ا ل أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما م م م โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาอยู่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 หรือพวกเจ้าสัมผัสมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาแต่พวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงทําตะยามุมด้วยดินที่ดีแล้วจงรูปใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าแท้จริงอลัลลอเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอ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 والله أعلم بأعداءكم وكفّى بالله ولي ي و و ك ف ى بالله بال نصيرال นั้นทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าและพอเพียงแล้วที่ละทรงเป็นผู้คุ้มครองและเพียงพอแล้วที่ละทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ من الذين هادوا يحرفون الكلم ع َ م ا و ا ع ض ع ه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليهم بألسنتهم وطعن ا في الدين. َلَاوْ قَالُواْ وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ أَنَّهُمْ سَمِعْنَا وَانْضُرْنَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَأَقْوَمْ لَكَانَ خَيْرًا จากบางคนในหมู่ผู้เป็นยิวนั้นพวกเขาบิดเบือนถ้อยคำให้เหอออกจากที่ของมัน และพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราได้ฝ่าฝืนกันแล้วและเจ้าจงฟังโดยมิใช่เป็นผู้ได้ยินและจงสดับฟังเราโดยบิดลิ้นของพวกเขาและใส่ร้ายต่อศาสนาและหากว่าพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้เชื่อฟังกันแล้วและเจ้าจงฟังและมองดูเราเถิด ก, ก็จะเป็นสิ่งดีกว่าแก่พวกเขา และเที่ยงตรงกว่าแต่ถ้ว่าอัลล่ะได้ทรงสาบแช่งพวกเขาเสิแล้วนึงด้วยการปฏิเศษสถาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สถากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยาอันยุฮัลลดีนอูตุลกิตาบอามินูบิมานัสดลนามสัดดิกันลิมามาะคุมมินกับล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 แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้การที่ให้มีพาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีพาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาก็ได้อุปโลกบาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น มุฮัมมัดไม่ Muhammad, ได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ดอกหรือมีได้อัลลอตตั้งหาหรือที่จะทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม แม้เพียงขนาดร่องมเมล็ดอินทพะละลจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลกความเท็จให้แก่เราและพอเพียงแล้วที่ความเท็จนั้นเป็นบาปอันชัดแจ้ง ألم تر ََ إلى الذين َ أوتوا ُ نصيبا من ِ الكتاب يؤمنون َُ بالجبت ِ و ا ل ط ا ُ و ت ِ ويقولون َُ للذين ََّ كفروا َ هؤلاء أ ه د َ ى ويقولون َُ للذين ََّ كفروا َ هؤلاء أ َ ه ْ د َ ء من الذين َ آمنوا َ سبيلا َ جاو مهمل มิได้มองดูบรรดาผู้ที่รับส่วนหนึ่งจากคมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลยิบตีและอัตโตบุตและกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอุลาอิัลลัลลณะละน์นัมุลลอ ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสาบแช่งพวกเขาและผู้ใดที่อ AH ัลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขาแล้วเจ้าจะไม่พบว่ามีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับเขาเลย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 หรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่นในสิ่งที่ลอทรงประทานแก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์แท้จริงนั้นเราได้ประทานให้แก่วงวานอิบรอฮีมมาแล้วซึ่งคำพีและความรู้เกี่ยวกับศาสนา และได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่แล้วในหมู่พวกเขามีผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและในหมู่พวกเขามีผู้ที่ขัดขวางเขาและเพียงพอแล้วที่นรกยันนามีเปลวเพลิองอันชดช่วง إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما ي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 ผู้ทรงพระย์ว่ و แล้วที่ละอ صالح ا ت ِําพวกเขาเข้าไปในสวร ا ค์จะนําพ ح ت เ ت าเข ن าไป خ น ل วรรค์ที ن จะ ا หลจากใต้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 และเราจะให้เขาเข้าอยู่ภายในร่มเงาอันร่มเย็นอินนัลลอฮะย์อัลลอฮฺย์ย์ย์ م ์ย์ย์ ت ์ยَย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์َ์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยَย ح ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ ل ์َ์ย์ِ์َ์ย์َ์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ะอวลโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลเถิดและผู้ปกครองขอพวกเจ้าด้วยแต่ ถ, ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูลหาพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันพะโรโลกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่งและเป็นการกลับที่สวยงามยิ่ง أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ م ِ ن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ ي ر ي د و ن َ أ َ ن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ غُمِرُوا أ َ ن يَكْفُرُوا بِهِ จะไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าดอกรือโดยที่เขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การแก่อัตตอกูดทั้งๆ ท, ที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิเสธมันและชวยตอนนั้นต้องการที่จะให้พวกเขา และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมายังสิ่งที่อัลลอน์ได้ประทานลงมาและยังรอสูเถอะเจ้าก็จะได้เห็นพวกกลับกรอกเหล่านั้นผินหลังให้แก่เจ้าจริงๆ แล้วจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อมีเหตุร้ายใ ด, ดๆประสบแก่พวกเขา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 ل ل ชนเหล่านี้แหละคือผู้เที่ยวล้อทรงทราบดีถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาดังนั้นเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาและจงตักเตือนพวกเขาและจงกล่าวแก่พวกเขาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาด้วยจำนวนที่กินใจ وما أرسلنا من رسول إلا ل ي ط ا ع بإذن الله ولو أنهم إ اضللوا أنفسهم جاءك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ل َ وجد الله تواب ا ل ر ح ي م ا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 ใจเจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแยงระหว่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่พบความขับ อ, อกขับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไป แ, และพวกเขาก็ยอมจำนนด้วยดีวะลอันกาตบนะอาไลฮิมอันกุตูลูอันฟุสะุมอวิรจูมิดิาริคุมมาฟะอดูอิลลากลลุมมินห์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 และหากว่าพวกเขาได้กระทำตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วแน่นอนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกเขาและเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นคงยิ่งลมมลและถ้าเช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะให้แก่พวกเขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวงจากที่เรานี้เอง และแน่นอนเราก็จะชี้นำให้แก่พวกเขาซึ่งทางอันที่ตรง مع أنعم عليهم من الذين ال الله النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك ل ذ وحسن رفيقا ผู้ใดที่เชื่อฟัง a l ل a h และรอสูแล ชนเหล่านี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาอันได้แก่บรรดานบีบรรดาผู้ที่เชื่อโดย ด, ดุษฎีบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามปกป้องาศาสนาและบรรดาผู้ที่ประพฤติดีและชนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดียิ่งความกรุณาดังกล่าวนั้นมาจากอาลัลลอ์และพอเพียงแล้วที่อลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้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 ระหว่างพวกเจ้ากับเขาว่าโอหวังว่าฉันได้ร่วมอยู่กับพวกเขาแล้วฉันจะได้รับชัยชนะอันใหญ่หลวงจงสู้รบในนทางของลอเถือ บรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยปรโลกและผู้ใดสู้รบในหนทางของลอและถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราจะให้รางวัลอันใหญหลวงแก่เขา الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ท الظالم أهلها واجعل لنا من لدن ك و ل, ل ي ا واجعل لنا من لدن كنصيرا มีเหตุไดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นรืที่พวกเจ้าไม่สู้รบในหวนทางของ الله ทั้งๆ ท, ที่บรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าชายหรือหญิงและเด็กๆต่างกล่าวกันว่าโอ้พระผู้อวยพของเราโปรดนำพวกเราออกจากเมืองนี้ซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ข่มเหงรำแก่และโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหนึ่งจากที่พรงและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจากที่ปรุ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بنداء بوثي س ط ح ا ن ا พวกเขาจะต่อสู้ในลุนทางของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นพวกเขาจะต่อสู้ในลุนทางของอัล ต, ตอบูดดังนั้นพวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาสมุนของชัยตอนเถิดแท้จริงอุบายของชัยตอนนั้นอ่อนแอยิ่งออออลลลลกกุ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 ل ل จงไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระงับมือของพวกเจ้าไว้ก่อนเถิดและจงปฏิบัติละหมาดจงชำระ z a กา t คั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเขา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 แต่พระโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยังเกรงและพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดร่องมเมล็ดอินทพลบับอมยุดิล ว่าอินทัศน์ของพวกเขาเสียทุกอย่างพวกเِาบอก ن ْานี่เป็น قُلْ ُุตอบว่าทุกอย่าง ل ป็นของพระเจ้าแล้วสิ่งที่พวกนี้ไม่เขَาใจคือพَกเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขามูดถึงคืออรนั่นคืความตายก็ย่อมประสบกับพวกเจ้า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 ที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจในคำพูดแม้อา صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفّى بالله شهيدا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 ا أ ผู้ใดเชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอันอแล้วและผู้ใดผินหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าไปเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาไหม่ َيَقُولُونَ بَيَّتَ غَيْرَ الَّذِي بي على الله <ت ص في> ق بَرَزُوا و ل مِنْ عِنْدِكَ مِّنْهُمْ طَاعَةٌ فَإِذَا طَائِفَةٌ ت พวกเขากล่าวว่าเชื่อฟัง แต่เมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าแล้วกลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็ได้วางแผนในเวลากลางคืนอื่นจากสิ่งที่เจ้ากล่าวแล้วลอจะทรงบันทึกสิ่งที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลางคืนดังนั้นจงหันเห อ, ออกจากพวกเขาเสียและจงมอบหมายแด่อลอตเถิดและพอเพียงแล้วที่อลอตเป็นผู้ที่รับมอบหมาย غَيْرِ فِيهِ พวกเขามิได้พิจารณาดูคำพีอัลกุรอานบ้างดรืและหากว่าอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมายว่าอ ج ดะจะอ่อม أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ولو لا تضل الله عليكم ورحمةه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ل เมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาถึงพวกเขาจะเป็นความปลอดภัยหรือความกลัวก็แล้วแต่ พวกเขาก็จะแพร่มันออกไปและหากว่าพวกเขาให้มันกลับไปยางหร่อศูนย์และยังผู้ปกครองในหมู่พวกเขาแล้วแน่นอนบรรดาผู้ที่วินิจฉัยมันในหมู่พวกเขาก็ย่อมทราบมันได้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานความเมตตาขอละัะที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะคงปฏิบัติตามชายตอนไปแล้วนอกจากเพียงจานวนน้อยเท่านั้น